วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันสเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทางราชการก็เลยกำหนดให้เป็นวันหยุดทำงานพระอที่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจะได้มีเวลามาประกอบศาสนากิจเพื่ออุทิศบุญอุทิศกุศลให้แก่พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นผู้มีพระคุณต่อปวงชนชาวไทย เป็นอย่างมากการได้มาวัดก็เพื่อที่จะได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ชำะระรับพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าความสุขของใจนั้นและความทุกข์ของใจนั้น อยู่ที่ความสะอาดหรือไม่สะอาดของใจถ้าใจสะอาดใจก็จะมีความสุขถ้าใจไม่สะอาดใจก็จะมีความทุกข์การสัพ่อจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อจิตใจของทุกคนเพราะทุกคนนี้ มีความปรารถนาที่จะมีแต่ความสุขใจไม่ต้องการมีความทุกข์ใจไม่ต้องการมีความวุ่นวายใจถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนเราจะไม่รู้สาเหตุของความทุกข์ใจของความวุ่นวายใจของเราว่าเกิดจากอะไรเราจะไม่รู้จากวิธี ที่จะทำให้ใจของเรานั้นไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ใจกับสิ่งต่างๆแต่ถ้ามีศาสนามาสอนเราท่านก็จะสอนบอกเราให้รู้ว่าความวุ่นวายใจความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากจิตใจที่ไม่สะอาดจิตใจที่มีเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสตัณหามาปลดเปือปเป้อนมาแปดเพื่อน สร้างความสขปกให้กับใจถ้าอยากจะให้ใจสดชื่นเแบิกบานใจมีแต่ความสุขความสบายก็ต้องคอยกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเครื่องซ่อมหมองต่างๆให้หมดไปจากใจให้ได้ถ้าไม่กำจัดมันก็จะไม่หายไปของมันเอง เหมือนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ตอนต้นเสื้อผ้าที่เราเอามาใส่มันก็เป็นเสื้อผ้าที่สะอาดแต่พอใส่แล้วมันก็เริ่มมีคราบสกปรกต่างๆมาติดกับเสื้อผ้าถ้าเราไม่เอาเสื้อผ้านั้นไปซักเสื้อคราบสกปรกต่างๆก็จะไม่ออกไปจากเสื้อผ้ามันก็จะติดอยู่กับเสื้อผ้าไปเรื่อยๆ อันใดใจของพวกเราก็เหมือนกันใจของพวกเรานี้มีคาบสกปรกของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชามาทำให้ละทำให้ใจของเราไม่สะอาดทำให้ใจของเราสปกปรกทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่มีความสุขถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนา เวลามาสอนเราเวลาที่เราไม่มีความสุขเราก็มักจะไปหาวิธีทาให้ใจของเราสุขด้วยการไปหาสิ่งต่างๆมาเสพหาความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพแต่นี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทำให้กิเลส ต, ตัณหาเครื่องเศร้าหมองนี้หายไปจากใจเพราะว่าการไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ ความเป็นจริงแล้วกับเป็นการเพิ่มกิเลสตัณหาให้มีเพิ่มมากขึ้นภายในใจเพราะการเสบรูปเสียงกิริยลดนี้ก็เกิดจากความอยากก็คือตัณหาเวลาที่เกิดตัณหาความอยากที่จะเสบรูปเสียงกิริยลดพอไปเสบแล้วมันก็จะเกิดความสุขขึ้นมาช่วระยะหนึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกว่า เ, ออเราได้ทาให้ใจเรามีความสุขขึ้นมา แต่มันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเวลาที่เราได้เสพมันแต่พอหลังจากนั้นไปไม่นานความรู้สึกสุขที่ได้จากการเสเพิ่มเสียงกลิ่นลถต่างๆมันก็หายไปแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดมีความรู้สึกเศร้าหมองเกิดขึ้นมาเพราะตัวที่สร้างความเศร้าหมองให้กับใจของเราก็คือตัณหาความอยากนี่ ตัญหาความอยากนี่มันจะขยายตัวเรื่อยๆถ้าเราไปทำตามความอยากาเวลาทำตามความอยากเราจะรู้สึกว่ามีความสุขในขณะที่ได้ทำพอทำเสร็จแล้วความสุขนั้นก็จะจางหายไปเราก็จะปล่อยให้เรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายให้เรามีความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมานี่ก็เป็นผลที่เกิดจาก การไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดตามความอยากมันจะทําให้เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาเพราะว่าเวลาที่ความสุขที่ได้จากการเสกในครั้งนี้มันผ่านไปแล้วมันปล่อยให้ใจอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายใจก็เลยเกิดความอยากที่จะต้องไปเสกต่อไปอีกเก็จะต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องเจอกับวันหนึ่งที่อาจจะมีอุปสรรค ที่ไม่สามารถไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เช่นร่างกายอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่มีทรัพย์สินเงินทองที่จะไปซื้อความสุขต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสได้เวลานั้นก็จะเกิดความรู้สึกเศร้าหมองเศร้าส้อยง่อยเหงาเพิ่มมากขึ้น แ้วถ้าไม่ได้เสพนานเข้าไปก็อาจจะเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาได้อันนี้คือลักษณะของผู้ที่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้ศึกษาพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจะแก้ปัญหาของความเศร้าซ้อยหงอยเหงาความรู้สึกว่าเวเปล่าเปลี่ยวเดียวดายด้วยการไปหาสิ่งต่างๆมาเสพอแต่มันก็เพียงแต่ มันเท่าความเศร้าส้อยง่อยเหงาไว้ชื่อข่าวแล้วหลังจากนั้นไม่นานความเศร้าส้อยง่อยเหงาก็คืนกลับคืนมาอีกทำเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดเพราะนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทำให้ความเศร้าส้อยง่อยเหงาหมดไปวิธีที่จะทำให้มันหมดไปนี้เราต้องซักพอกจิตใจกำจัดเหตุที่สร้างความเศร้าส้อยง่อยเหงาให้กับใจก็คือกิเลส เครื่องเศร้าหมองนี่เองธรรมะท่านเรียกกิเลสว่าเครื่องเศร้าหมองกิเลสทําให้ใจเราเศร้าหมองไม่มีความสุขไม่มีความเบิกบานไม่มีความสบายใจแล้วแทนที่เราจะกําจัดกิเลสเพื่อให้ความเศร้าหมองนี้หมดไปเรากลับไปทําตามกิเลสเพราะความหลง หลอให้เราคิดว่าถ้าเราไปทําตามกิเลสแล้วเราจะได้กําจัดความเศร้าหมองได้แต่มันเป็นการกําจัดความเศร้าหมองเพียงชั่วคราวแล้วมันก็จะเพิ่มความเศร้าหมองให้มีเพิ่มมากขึ้นต่อไปด้วยดังนั้นวิธีแก้ปัญหาของใจคือความเศร้าหมองของใจนี้ต้องไปได้แก้ด้วยการไปทําตามความอยากทําตามความ ต้องการของกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆเราะจะเป็นการเพิ่มเครื่องเศร้าหมองให้มีในใจเพิ่มมากขึ้นจะทําให้ใจมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมีความเศร้าซ้อยองหงอยเหงามีความว้าววมากขึ้นไปตามลําดับวิธีที่จะทําให้ความเศร้าซ้อยองหงอยเหงาความซึมเศร้าความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆ น้อยลงไปต้องเกิดจากการคอยกำจัดกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองเวลาที่มันปรากฏขึ้นมาในใจเราต้องพยายามฝืนอย่าไปทำตามความอยากต่างๆเ <c oughs> ครื่องมือที่พระเจ้าใช้ในการกำจัดเครื่องเศร้าหมองก็มีอยู่สองสองชิ้นด้วยกันชิ้นแรกก็คือการรักษาศีล การรักษาสี้นโดยเฉพาะสี้นแปดสินแปดนี้จะมีแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกนี้เป็นการระงับการกระทำบาปตามความอยากต่างๆเพราะเวลาทำบาปนี้จะสร้างความทุกข์ใจให้กับใจสังเกตดูเวลาเราทำบาปเราพูดปดก็ดีเราลักทรัพย์ของผู้อื่นก็ดี เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดี <Yeah. S 1> หรือเราประพฤติผิดในการกมก็ดีโกหกหลอกลวงก็ดี <Yeah. S 1> เราจะมีความรู้สึก <Yeah. S 1> ไม่สบายใจ <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่อยากจะให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาจากการกระทาเหล่านี้เราก็ต้องระงรับการการะทาเราก็ต้องระงรับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตระงรับการลักทรัพย์ของผู้ ระงับการประพฤติผิดในการระงับการพูดปดและลระงับการดื่มของมึนเมาต่างๆเพราะการเสพของมึนเมาจะทาให้ขาดสติที่จะคอยยับยัง้งใจไม่ให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำพอใจไม่มีสติยับยัง้งพอคิดอยากจะทำบาปก็จะทำบาปได้ง่ายพอทำไปแล้วก็จะสร้างความเศร้า ตท่าส้อยความทุกใจให้กับใจอันนี้ส่วนแรกของศีลแปดสี่ข้อแรกนี้ก็คือให้เราละเว้นการกระทำบาปอันนี้านนการมาเพื่อเิลในกรรมนี้สำหรับผู้ที่รักษาศีลห้าแต่ถ้าผู้ที่ต้องการรักษาศีลแปดนี้ศีลข้อนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นการไม่มีการเสพกรรมเลยไม่มีการร่วมเพศกับใคร จากกาเมเวสุวิชชาจารามาเปลี่ยนเป็นอรรมจาริยาเวรามณีเกอนงดเว้นการเสพกามการร่วมเพศกับทุกใครก็ต่างสำหรับศีลห้านี้ยังอนุญาตให้มีการเสพกามกับคู่ครองของตนได้แต่ไม่ให้ไปเสพกามกับคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องของ การยับยัง้งการกระทำที่จะสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจให้เกิดขึ้นมาถ้าเร า, เรารักษาสินเหล่านี้ได้ใจเราก็จะสบายเราจะรู้สึกสบายจะไม่รู้สึกไม่สบายใจจากการทำบาปเพราะเราไม่ได้ทำบาปแล้วอีกส่วนหนึ่งของศีลแปดก็คือการละเว้นการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพื่อมากำจัดเพื่อมา กำจัดความเศร้าหมองของใจซึ่งการการไปเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะกำจัดความเศร้าหมองต่างๆของใจได้กลับเป็นการเพิ่มความเศร้าหมองให้มากขึ้นไปเพีย <section> งแต่ว่าในช่วงที่ได้เสบมันมีความรู้สึกว่าความเศร้าหมองหายไปแต่พอหลังจากที่ได้เสบเวลาผ่านไปความเศร้าหมองก็จะกลับมาอีก จะไม่หายไปและจะกลับมาแรงกว่าเก่าถ้าอยากจะกําจัดความเศร้าหมองต้องพยายามระงับการเสพระงับวิธีกําจัดความเศร้าหมองด้วยการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของศีลข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดศีลข้อหกก็ให้เราเราต้องการเรามีความจําเป็นจะต้องเลี้ยงดูร่างกายด้วยการรับประทานอาหาร ก็ให้รับประทานเท่าที่ร่างกายต้องการก็พออย่ารับประทานตามความอยากต่างๆความอยากก็คือกิเลสเครื่องเศร้าหมองนี่ถ้าเรารับประทานตามความอยากเราก็จะสร้างความเศร้าหมองให้มีเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ให้มีน้อยลงดะงั้นเราต้องรับประทานอาหารพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอโดยโดยรักษาศีลข้อหกคือไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว รับประทานได้เฉพาะช่วงเช้าถึงเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันนี้พอแล้วสาหรับเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องดูร่างกายถ้าอยากจะถ้าอยากจะรับประทานก็แสดงว่าเป็นเรื่องของตันหาความอยากเป็นเรื่องของกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่ต้องการที่จะเสพความสุขจากการได้รับประทานอาหารได้ดื่มเครื่องดื่มต่างๆอันนี้ก็ต้อง ถ้าถือศีลหกข้อหก็จะไม่สามารถทำในเรื่องของการเสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารได้ก็จะป้องกันไม่ให้เพิ่มความเศร้าหมองให้มีมากขึ้นถ้าเราปล่อยให้การรับประทานอาหารเป็นวิธีกำจัดความไม่สบายใจของเรานี่เราจะทำให้ร่างกายเรานี้น้ำหนักเกินกัน คนที่น้นหนักเกินนี้ส่วนใหญ่อ า, อาศัยการรับประทานอาหารเพื่อให้ความสุขกับใจเพื่อกำจัดความรู้สึกเศร้าเศร้าใจหรือหงุดหงิดใจลาคาญใจต่างๆพอรู้สึกเศร้าใจหงุดหงิดใจรู้สึกขาดนู่นขาดนี้ก็มักจะไปกินอาหารกันกินอย่างกระทั่งร่างกายนี้กลายเป็นตุ่มไปเพราะว่า มันร่างกายไม่ต้องการอาหารเหล่านี้เลยแต่ใจต้องการเพราะความอยากนี้ทำให้หลงคิดว่าถ้าทำได้กินตามความอยากแล้วจะมีความสุขจะกำจัดความไม่สุขไม่สุ ข, ไ ม, สขไม่สบายใจของใจได้แต่มันก็กำจัดได้ชั่วเดียวเดียวขณะที่ได้รับประทานหลังจากรับประทานเสร็จไม่ถึงชั่วโมงทีหิวขึ้นมาอนะีกแล้วอยากจะกินอนะีกแล้ว แล้วถ้าไม่มีการหักห้ามใจ <_ p are> ก็จะกินไปทั้งวันทั้งคืนดนกระทั่งร่างกายนี้กลายเป็นตุ่มไป <_ p are> นี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะกำจัดความไม่สบายใจวิธีจะกำจัดต้องฝืนฝืนความอยากที่จะใช้อาหารเป็นเครื่องกำจัดความเศร้าหมองต่างๆเพราะมันไม่ได้เป็นเครื่องกาจัดแต่มันจะเป็นเครื่องสร้างความเศร้าหมองให้มีเพิ่มมากขึ้นพระพุทเจ้าจึงสอนให้เรามา ถือสินแปดกันพยายามแล้วระงับการกระทาตามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรดให้น้อยลงไปกินอาหารก็ให้กินเท่าที่จาเป็นเท่าที่ร่างกายต้องการมือเดียวสองมือก็เหลือกินแล้วพอแล้วแล้วก็มารักษาสินข้อเจ็ดก็คืออย่าไปใช้เครื่องบันเทิงต่างๆมาห่อรสบบนเทิงต่างๆมาเป็นเครื่องบำบัด ความเศร้าหมองของใจเพราะว่ามันเหมือนกับอย่างอื่นนะมันเป็นการเพิ่มถ้าเราทำอะไรตามความอยากแล้วเราจะเพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นถ้าเราได้ดูภาพยนตร์ครั้งนี้แล้วเดี๋ยวเราก็อยากจะดูอีกครั้งหนึ่งอยากจะดูตามไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะความอยากมันไม่มีวันพอพอทาตามความอยากแล้วความอยากมันก็จะเพิ่มคูณสองคูณสามคูณสี่ไปเรื่อยๆ ตอนนี้กระทั่งต้องดูหนังทั้งวันทั้งคืนบางคนพอดูหนังแล้วติดเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้พอไม่ได้ดูล้วรู้สึกขาดขาดความสุขไปอันนี้เป็นการสร้างความทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนยาเสพติดเสพแล้วมันจะติดแล้วต้องเสพอยู่เรื่อ ย, อยแล้วถ้าไม่ได้เสพมันก็จะรู้สึกหดเหงิดรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเงาแรงกว่าเดิม เราต้องฝืนอย่าใช้วิธีนี้คาจัดความเศร้าหมองของใจต้องใช้วิธีฝืนมันอยากจะดูหนังฟังเพลงก็ต้องฝืนมันถ้าเรามาถึงศีลแปนี้เรากำลังฝืนเราไม่ทำตามแต่อยากกินข้าวเย็นก็ไม่กินข้าวเย็นอยากจะกินกี่มือ้อกี่หนก็ไม่กินตามความอยากกินเฉพาะเวลาที่กำหนดให้กินเท่านั้นคือไม่เกินเที่ยงวันไปแล้ว แล้วก็อย่าไปหาความสุขจากการเสริมความงามของร่างกาย อ, อย่าไปใส่เสื้อผ้าสวยงาม ว, วิจิตพิสดารแต่งหน้าทาปากทำเล็บทำผมทำอะไรต่างๆ อ, อันนี้มันก็เป็นความสุขแบบที่จะทำให้เราเศร้าหมองเวลาที่เราไม่ได้แต่งหน้าทาปากเราจะมีความรู้สึกไม่มีความมั่นใจในตัวเราเองอเราจะรู้สึก ไม่กล้าจะเผชิญหน้าคนอื่นเพราะมีความเหมือนกับมีปมด้วยเราไม่ได้เสริมความงามแล้วเราเรู้สึกว่าเราไม่งามขึ้นมาไม่กล้าที่จะออกไปเจอใครใอันนี้มันก็จะทำให้เราเศร้าเวลาที่เราไม่ได้เสริมสวยความงามทวามเสริมสวยความงามนี้ก็เป็นการทำให้เราสบายใจชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเอง แต่มันจะทำให้เราไม่สบายใจเวลาที่เราไม่สามารถที่จะเสริมสวยความงามได้อันนี้คือมาตรการนันแรกในการที่เราจะซักพอกเครื่องเศร้าหมองคือกิลเลสตัณหาให้ออกไปจากใจด้วยการรักษาสิ่งแปดสี่ง้อแปดก็คือไม่ให้เรานอนมากเกินไปเพราะการนอนมากก็เป็นการเสพการอีกรูปแบบหนึง่ง บางทีนอนแล้วไม่อยากจะลุกขึ้นมามันสบาย <S <S ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วแต่อยากจะนอนต่อพอนอนบนฟูกหนาๆ น, านอนบนเตียงที่สบายวิธีที่จะทําให้เราไม่นอนมากเกินไปก็คือให้นอนบนพื้นแข็งๆที่ไม่มีฟูกหนาๆปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือ่อพอให้ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนสี่ห้าชั่วโมงก็พอ พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาก็จะได้ลุกขึ้นมามาซักพอกจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรมอีกข้อหนึ่งก็คือการภาวนาศสีนี้เป็นเพียงแต่เครื่องมือที่จะคอยสนับสนุนให้เราได้มีเวลาภาวนาที่จะตัดทอนความอยากที่จะใช้การเสพลูกเสียงกิดรดเป็นวิธี ทักพ่อจิตใจหรือแก้ความเศร้าหมองของจิตใจซึ่งทําไม่ได้นะวิธีเที่ศีลก็เพียงแต่คอยระงับยับยัง้งป้องกันไม่ให้มันบาลไปไม่ให้มันมีเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่สามารถที่จะทําลายให้มันหมดไปได้เครื่องเศร้าหมองนี้ถ้าต้องการที่จะทําลายให้มันหมดไปนี่ต้องทําต้องปฏิบัติทำข้อที่สอง รักษาศีลแปดแล้วเราก็ต้องมาภาวนาการภาวนานี่แหละเป็นวิธีซักพอกจิตใจโดยตรงซักพอกด้วยการทำใจให้สงบให้นิ่งเรียกว่าสมาธิหรือสมถภ า, ภาวนาการซักพอกจิตใจด้วยการภาวนานี้มีอยู่สองขั้นตอนขั้นตอนแรกซักพอกด้วยการทาใจให้นิ่งก่อนหยุดกิเลสตัณหาหยุดเครื่องเศร้าหมองต่าง พอกิเลสตันหาหยุดทำงานใจก็จะรู้สึกเบาขึ้นมาสบายใจขึ้นมาสุขใจขึ้นมายิ่มใจขึ้นมา mm hmm. นี่แหละคือวิธีที่จะกำจัดเครื่องเศร้าหมองให้หมดไปจากใจได้อย่างแท้จริง mm hmm. ต้องทำด้วยการเจริญสติหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆด้วยด้วยการถูกใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐาน mm hmm. เวลานั่งสมาธินี้เราต้องมีสติผูกใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นผูกใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธหรือผูกใจให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอันนี้เป็นอุบายวิธีที่จะทําให้ใจนิ่งสงบพอใจนิ่งสงบตันหาความอยากกิเลสเครื่องเศ้ามองก็จะหยุดทํางานออกกิเลสตันหาเครื่องเศร้ามองหยุดทํางานใจที่เศร้าหมองก็หายไป กลายเป็นใจที่สดชื่นเบิกบานขึ้นมาทันทีแต่เป็นการกระทําแบบชั่วคราวชั่วขณะที่ใจสงบพอกําลังของสติที่ควบคุมใจให้นิ่งให้สงบมันอ่อนลงนะกําลังของความอยากก็จะผลักดันให้ใจออกมาหารูปเสียงกลิ่นลดเพื่อจะมาเสพรูปเสียงกลิ่นลดเพื่อที่จะกําจัดความเศร้าหมองซึ่งเป็นวิธีที่ผิด เป็นวิธีที่จะสร้างความเศร้าหมองให้มีเพิ่มมากขึ้นตอนนั้นเราก็ต้องใช้วิธีที่สองคือวิปัสสนาภาวนาหรือปัญญาพอาใจออกจากสมาธิมาด้วยกำลังของความอยากอยากจะไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นพอพอออกมาแล้วก็เริ่มคิดถึงขนมบ้างคิดถึงอะไรบ้าง คิดถึงภาพยนต์บ้างคิดถึงละครบ้างคิดถึงอะไรต่างๆคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวบ้างคิดถึงบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราอยากจะสกัดความอยากไม่ให้มันพาเราไปหาความเศร้าหมองที่ที่มากขึ้นเพราะการกระทำตามความอยากนี้จะพาให้เราไปเจอความทุกข์มากขึ้นไม่ใช่เจอความทุกข์น้อยลงเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณา ของต่างๆที่ตันหาความอยากต้องการไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสชนิดใดก็ตามจะเป็นคนนั้นคนนี้จะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นสถานที่นั้นสถานนี้หรืออะไรก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ใจต้องการที่ตันหาต้องการนี้มันล้วนเป็นของชั่วคราวถ้ามันจะให้ความสุขมันก็ให้ความสุขเราได้แค่ชั่วคราว เหมือตอนที่เราได้เสพอะไรที่เราอยากจะเสพพอได้เสพได้สัมผัสแล้วก็มีความสุขแต่พอเราหยุดเสพความสุขนั้นมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกอา้างว้างเปล่าเปรี่ยวเดียวดายขึ้นมาองโดให้พิจารณาเห็นว่าทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันให้ความสุขแบบชั่วคราวมันไม่ได้เป็นให้ความสุขแบบยั่งยืนถาวรที่จะทำให้เราไม่มีความรู้สึกอา้างว้างเปล่าเปี่ยวเดียวดายอีกต่อไป แต่การไม่เสพนี่แหละต่างหากที่จะเป็นคำตอบถ้าเราไม่เสพทำตามความอยากเพราะเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นมันไม่ได้เป็นเป็นคำตอบมันเป็นมันเป็นกลับเป็ น, เ ป, นเป็นโทษเป็นปัญหาตามมาอีกพอเราได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่เราได้มาก็จะต้องจากเราไปหรือเปลี่ยนไปคนที่เราคิดว่าเขาจะรักเราไปตลอด พอได้อยู่กเขาไปสักพักหนึ่งเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปได้แทนที่จะเคยรักเราเหมือนเมื่อก่อนเขากลับมไม่ชอบเราขึ้นมาก็ได้หรือถ้าเขายังรักเราอยู่แต่เขาเกิดอุบัติเหตุตายไปอย่างนี้มันก็ทำให้เราต้องเจอกับความเศร้าอีกฉะนั้นถ้าเรามองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้นหาความอยากกิเลสเครื่องเศร้าหมองต้องการนี้ล้วนจะนาเราไปสู่ความทุกข์ให้เห็น น, นั้นนิจัง ไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมันเลยทำให้เราต้องเจอกับความทุกข์แล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็นของเราให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลามันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราก็คือให้เห็นปลายลักษณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสตัณหาต้องการมาให้ความสุขกับเราว่ามันเป็นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง ทุกเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมบังครับให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลามันจะต้องมีเวลาที่จะต้องเปลี่ยนไปหมดไปเสื่อมไปถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เป็นตายรักเราก็จะได้ไม่กล้าที่จะไปอยากได้อีกต่อไปแต่เห็นว่าสิ่งนี้ถ้าเราได้มาแล้วเดี๋ยวจะทําให้เราทุกข์เราก็จะไม่อยากได้ต้องให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทําให้เราทุกข์ เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไม่สามารถทำให้มันเที่ยงทำให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลานั่นเอง <S <S 1> <S 1> ถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสตัณหาต้องการว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะหยุดความอยากได้เพราะเราหยุดความอยากได้ใจที่วุ่นวายกับใจที่เกิดจากความอยากก็จะกลับมาสงบในขณะที่อยู่ในสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ เพงแต่หยุดความอยากตัวที่สร้างความวุ่นวายสร้างความเศร้าหมองให้กับใจพอหยุดมันได้ด้วยปัญญาพอเห็นว่าสิ่งที่อยากมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะหยุดความอยากไม่อยากได้เปลี่ยนใจทันทีใครคิดอยากจะได้พอรู้แล้วว่าถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องถูกเขาตบถูกเขาตีไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจดีกว่าเวลาคิดถึงเขาอยากได้เขามาก็คิดว่าเขาจะดีกับเรารับใช้เราดูแลเราเลี้ยงดูเรา เต่พอคิดถึงมุมหนึ่งว่าถ้าเกิดเขาเปลี่ยนไปเขามาทุบตีเราขึ้นมาเราจะทํำยังไงพอคิดว่ามีโอกาสที่เขาจะมาทุบตีเราได้เราก็ไม่เอาดีกว่าไม่ไปเสี่ยงดีกว่าเราต้องเห็นเห็นเห็นฝ่ายฝ่ายลบบ้างอย่าไปเห็นแต่ฝ่ายบวกเวลาเราอยากจะได้เราเราจะคิดแต่ฝ่ายบวก อ, อส่วนที่ดีส่วนที่ให้ความสุขกับเราแต่เราไม่มองอีกด้านหนึ่งว่ามันก็มีอีกด้านหนึ่งนะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสองด้านด้านหนึ่งก็ให้ความสุขกับเราอีกด้านหนึ่งมันจะให้ความทุกข์กับเราอพอเราเห็นด้านที่จะให้ความทุกข์กับเราเราก็จะไม่อยากได้ทันทีเราก็จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราหมดสิ้นไปได้ถ้าเราใช้ปัญญายสอนใจให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องที่ความอยากต้องการกิเลสต้องการนี้ล้วนจะนำไปสู่ความทุกข์เพราะว่ามันมีสองด้าน ตอนต้นก็ได้ได้ด้านที่เป็นสุขแล้เดี๋ยวไม่นานด้านที่เป็นสุขก็จะพลิกกลับมาเป็นด้านที่เป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้ก็จะไม่ไม่อยากได้ต่อไปพอไม่อยากได้ใจก็จะสงบตัวลงทันทีสงบแบบในขณะที่เข้าสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิและสงบอย่างถาวร น, นี่แหละคือวิธีซักพ่อของใจทักพ่อเครื่องเศร้ามอง เบื้องต้นต้องสักพอกด้วยการรักษาศีลแปดเป็นผู้เป็นผู้ช่วยประคับประคองให้เราได้มีเวลาให้กับการภาวนาเราก็ภาวนาเบื้องต้นก็ซักพอกด้วยการทำใจให้สงบแบบชั่วคราวหยุดความอยากแบบชั่วคราวพอหยุดความอยากแบบชั่วคราวได้แล้วพอออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากอย่างทาวอ ด้วยการเห็นสิ่งต่างๆที่อยากได้ว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาแล้วต่อไปก็จะไม่กล้าอยากได้อีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากได้ใจก็จะสงบมีความสุขตลอดเวลาใจที่ใจที่สกรปรด้วยเครื่องเศร้าหมองก็กลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาอันนี้นะคือการซักพ่อใจเพื่อให้ใจได้กําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเลส ต, ตัณหาเครื่องเศร้าหมอง ให้หมดไปจากใจพอกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองหมดไปจากใจแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ใจก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่มีความอยากที่จะไปเกิดอีกต่อไปเพราะการเกิดก็จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เกิดแล้วก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเจอกับการพลัดพรากจากกาันก็เลยไม่อยากจะเกิดไม่อยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ การเกิดก็จะสิ้นสุดลงการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดสิ้นไปใจก็จะอยู่ที่นิพพานนี่ใจที่ไม่ได้ไปเกิดแล้วก็เรียกว่าใจที่อยู่ในนิพพานคือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ที่เกิดจากการได้สักพอกใจด้วยการรักษาศีลแปลขึ้นไปและด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาสมถต า, า, าภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่คือเรื่องของการศึกษาธรรมะของจากพระพุทธเจ้า ศึกษาเพื่อมาซักพอกจิตใจคํามจัดความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปเมื่อความทุกข์หมดไปก็จะเหลือแต่ความสุขอยู่ในใจเพียงอย่างเดียวนี่ก็คือเรื่องของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้พ อ, พอสมควรกับเวลาที่ได้กําหนดไว้คือประมาณ30นาทีและต่อไปนี้เราจะมาซักพอกจิตใจด้วยการปฏิบัติตอนต้นเราก็ซักพ่อกด้วยการศึกษาวิธีการปฏิบัติ มาซักฟอกอย่างไรขั้นต้นเราก็มาซักฟอกด้วยการนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบหยุดตัณหาหยุดความอยากต่างๆด้วยการเจริญสติผูกใจให้อยู่กับกรรมาฐานอารมณ์ที่จะทําทให้ใจนิ่งให้ใจสงบดั <c oughs> งนั้นเวลาต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันและวิธีนั่งนี้เราต้องการนั่งให้ให้ใจนิ่งให้ใจสงบาการที่จะทําทให้ใจนิ่งให้ใจสงบได้เราต้องมีสติ คือการะเลิกรู้ให้รู้อยู่กับกรรมฐานให้รู้อยู่กับอารมณ์อารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเ mm hmm. ช่นพุโทโธแล้วการดูลมหายใจเข้าออกอันนี้จะต้องผูกใจให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆจนก่าใจจะสงบอย่าทิ้งพุโทโธถ้าดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆ อ, อย่าทิ้งลมจนกายใจจะนิ่งใจสงบใจจะเกิดความสุขขึ้นมาใจจะรู้สึกว่าความอยากต่างๆหายไปหมดแล้ว ถึงจะหยุดได้ถ้านั่งเฉยๆไม่มีสติกํากับใจให้อยู่กับกรรมฐานใจจะไม่มีวันสงบได้ใจก็จะคิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เวลานั่งต้องให้มีสติอยู่กับพุทโธก็ดีอยู่กับลมหายใจก็ดีถ้าใจยังฟุ้งอยู่พุทโธไม่ไหวดูลมไม่ไหวก็ให้อยู่กับการสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ นั่งหลับตาสุดนั่งในท่าสมาธินี่เหมือนกับเหมือนกับแทนที่จะใช้พุโทโธก็ใช้การสวดมนไปสวดไปจงกว่ารู้สึกว่าใจเริ่มหายฟุ้งแล้วสามารถมาอยู่กับพุโทโธได้หรืออยู่กับลมหายใจได้ก็เปลี่ยนเข้ามาแล้วก็เกาะติดอยู่กับพุโทโธไปหรืรลมหายใจไปเวลานั่งมีอะไรมาแทรกเข้ามาก็อย่าไปสนใจมีความคิดเข้ามาก็อย่าไปสนใจมีภาพมีเสียงมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตามอย่าไปสนใจ ให้เกาะใจติดอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมไปเพียงอย่างเดียวใจถึงจะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไปตามเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาแทรกใจก็จะไม่ใจก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้การนั่งสมาธินี้เราไม่ต้องการรู้อะไรไม่ต้องการเห็นอะไรเราต้องการให้ใจนิ่งให้สงบด้วยการผูกใจด้วยสติเอาสติผูกใจให้อยู่กับพุโทโธพุทโธให้ระลึกรู้อยู่กับพุโทโธพุทโธหรือให้ระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียว แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบใจสงบแล้วก็จะเกิดความสุขเพราะเวลาที่ใจสงบนี้ตัณหาความอยากกิเลสต่างๆหยุดทํางานชั่วคราวนี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิต้องการจะหยุดกิเลสหยุดตัณหาเครื่องเศร้ามองต้องการซักฟอกใจแบบชั่วคราวไปก่อนทําใจให้นิ่งให้สงบด้วยสติแล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งกันตนกว่าจะหมดเวลา อตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนจะเลิกขอให้สังเกต ด, ดูว่าภ า, า, ารังเป็นวิญญาณโสทินังเปตังนามุปปัตติปิเจ็ดชี้ามปาทิสามตุทังคิสัเนิวาสานิจโตสัะเภกุลิโตตังตปา สันตุปนรหัส a ยะทัสสะมิจติภัสุยะทัสส a ปิติโยวิวัชสัน t ุสะพโลกวินาศตุ a ะเตหวัชวันตระโยสุขิธิภายกภวาอภิวันธนสีลิสาหิจามุทาปจายโน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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต263 YouTube พระสุชาติไลฟ์ส0 0ร o u t u b e d บด็อกเตอร์วชหวิทยุออนไลน์เจ l u b h o u s ฮ4สผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิแปท่านรวมทั้งหมดเจ9ดรครับ ถามได้เลยมีคำถามสองคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิครับคำถามแรกเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจและบริกรรมคำว่าพุทโธมีช่วงขณะที่คำบริกรรมหายไปรับรู้ได้แต่ลมหายใจขณะนั้นรู้สึกว่ามีความสุขมากครับอยากทราบว่าอาการแบบนี้คือจิตสงบใช่ไหมครับก็เริ่มสงบแต่ยังไม่สงบเต็มที่ ถ้าสงบเต็มที่เราจะรู้สึกว่าเป็นความมหศัศจรรย์ใจมันต้องแบบเหมือนกับตกหลุมตกบอ่อมันตกจากที่สูงลงมาแล้วมันก็เบาเย็นสบายเหมือนลอยอยู่ในอว ก, กาศคำถามที่สองถ้าใช่ทำอย่างไรจะให้ความสงบนั้นอยู่ได้นานครับก็ต้องหอ น, นมันจเจริญสติให้มากเวลาที่เราไม่ได้นั่ง ต้องพยายามเจริญสติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปก็ได้หรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปก็ได้อย่าให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆคําถามต่อไปจากคุณกุนทิดาการที่เรามาปฏิบัติทำแล้วขออุทิศบุญกุศลให้แม่ที่เสียชีวิตไปแล้วจะได้ไหมครับ คือบุญที่เรามาบําเพ็ญยังไม่เกิดผลขึ้นมาเรากําลังสร้างมันขึ้นมาอยู่ส่วนใหญ่จะไม่นิยมอุทิศบุญด้วยการปฏิบัติธรรมหรือการรักษาศีลเราจะนิยมอุทิศบุญด้วยการทําบุญทําทานพอเวลาทําบุญทําทานเสร็จผลของบุญเกิดขึ้นแล้วเราสามารถอุทิศบุญนั้นได้ผลที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีนี้มันยังไม่เกิด มันกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างถ้าเป็นการสร้างบ้านก็ยังสร้างไม่เสร็จแต่บุญที่เราทําทานนี่พอทําทปุ๊บเสร็จเลยบุญเกิดขึ้นเลยสามารถอุทิศบุญได้เลยคําถามต่อไปจากคุณแสงทิดามีบางเรื่องที่ต้องปกปิดคุณแม่ไม่ให้ท่านทราบอันนี้จะเป็นบาปไหมครับถ้าไม่พูดปดก็ไม่บาปถ้าเฉยๆไม่ต้องพูด ถ้าถามก็ไม่ต้องตอบเฉยๆไปเหมือนคนใบ้ไปคนใบ้นี่ดีอย่างจะไม่ผิดศีลข้อนี้อาจเป็นคนใบ้บ้างแต่อยาาจะรักษาศีลข้อนี้คำถามต่อไปจากคุณจินตนาคนรอบตัวมักบอกว่าคารวะบรรลุธรรมได้ยากยิ่งในปัจจุบันแต่ลูกได้ปฏิบัติธรรมตา ม, ตามคำสอนของพระอาจารย์ก็ยังหมั่นเพียรมาตลอด ขอกำลังใจจากพระอาจารย์ให้ลูกไม่หวั่นไหวและก้าวเดินต่อไปจนสุดทางด้วยครับก็ให้คำสอนพระเจ้าสอนบอกว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรถ้าเรามีความเพียรนวไม่ช้าก็เร็วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ต้องไปฟังเสียงคนอื่นฟังเสียงพระพุทธเจ้าเสียงเดียวก็พอคาถามต่อไปจากผู้ฝากถามทาง u t u b e เด็กเล็ก อายุที่เหมาะสมในการฝึกสมาธิคือประมาณเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่เขาทําได้หรือไม่ได้ถ้าเขาทาได้ก็ให้เขาทำไปถ้าเขาทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปบังคับเขาชวนเขานั่งเลยเราต้องเราต้องทเป็นตัวอย่างอย่าไปให้เขานั่งแล้วเราไปนั่งดูทีวีคนเดียวอย่างเงี้เด็กมันก็จะไม่ทําตามเราถ้าเราอยากให้เด็กนั่งสมาธิเราก็ต้องนั่งสมาธิกับเด็กไปแล้วสังเกตดูว่าเขานั่งอยู่เฉยๆได้หรือไม่ ถ้านั่งได้ก็นั่งไปเรื่อยๆถามหมดแล้วครับอือวันนี้คนน้อยคนคงจะไปภารกิจอย่างอื่นถ้าฝนฟ้าอากาศก็คงจะไม่เอื้อกลัวจะเจอฝนตกยังมีคำถามนะเชิญเป็นชาวต่างชาติเหรอ How are you How are you I'm fine, thank you Where are you from I'm French. French, okay. Merci beaucoup. <laughs> okay. So Go I ahead. have one question. Um, when I meditate, sometimes I see like a blue, blue color, mm -hmm. uh, like uh, like this. Yes. Yes. So I would like to know why. It's not important to know why. It's im it's important how to deal with it, and the way to deal with it is to ignore it. When you meditate, you want to focus your mind on on your meditation object only, such as your breath. If you use your breath to to meditate with, you should stay with your breath. If anything comes up, just ignore, because they can distract your focus, they can distract your attention, and you will not get the result you want, which is peace of mind. Therefore, d o n don't worry about what happens, what appears. We call them natural phenomena. They come and go. We cannot control them, but we can leave them alone. They they cannot do anything to us. Not, so don't worry about them. Okay. Okay. Thank you. Anything else? Sometimes I feel like some insects also working. Um, that's also the same thing. Just, s t ignore. Thing. Yeah. Usually, sometimes your mind create this feeling. It's not real. So it wants to distract your attention from your meditation. That's all. So ignore you know everything that comes up when you meditate. Stay with your meditation object only. If you're watching your breath, just keep watching your breath and nothing else. And your mind will will become calm, peaceful, and happy. โ <Okay. S 1> okay. อเคโอเคก็ุ้งครับุครับครับมีคำถามเข้ามาจากทาง Facebook YouTube ครับคุณสุกัญญาเวลาที่นั่งสมาธิจิตไม่นิ่งเลยครับชอบคิดไปนั่นนี่พระอาจารย์มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ <S <S กำลังมันน้อยไปกำลังของสติน้อยไปสติเป็นเหมือนกับเชือกเนี่ย แต่เป็นเชือกเส้นเล็กๆเชือกกล้วยพอเอามาผูกกับลิงไว้เพื่อให้ลิงมันอยู่กับที่มันก็ตกทีเดียวมันก็ขาดดังนั้นต้องหาเชือกที่เป็นเชือกเชือกไนล่อนอย่างนี้เชือกที่มันแข็งแรงแล้วลิงลิงมันจะดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่ดิ้นไม่ขาดสติก็เหมือนกันเราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนที่เราจะมานั่งไม่ใช่อยู่ดีๆจะมานั่งเลยนั่งเลยก็จะเป็นผลอย่างนี้นั่งได้เดี๋ยวเดียวเพราะสติมีน้อย ถ้าอยากจะนั่งได้นานได้ผลได้ความสงบต้องพยายามเจริญสติก่อนที่จะมานั่งเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับพอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจเลยหรือจะใช้การเฝ้าดูร่างกายของเราก็ได้เอาดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากาลังทาอะไรอยู่อยู่กับร่างกายไปตลอดแล้วสติจะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพอมานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้ง่ายสงบได้นาน คำถามต่อไปจากท่านเดิมครับคุณสุกัญญาทำไมเราทำดีมาตลอดไม่เคยโกงโกงใครแต่ไม่มีแต่ทำไมมีแต่คนมาโกงครับก็เป็นเรื่องของกรรมต่างวารรคกันเราอาจจะเคยโกงเข้ามาในอดีตผลมันเพิ่งมาปรากฏในตอนนี้ส่วนความดีของเราที่ทำในวันนี้มันยังไม่ส่งผลเราอาจจะต้องรอส่งผลในวันข้างหน้าหรือชาติหน้าก็ได้ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลกับผลที่เกิดขึ้นถ้าเจอผลดีก็ถือว่าเป็นผลที่เกิดจากความดีที่เราทำในอดีตถ้าเจอผลไม่ดีก็ขอให้คิดว่าเป็นผลที่เกิดจากการทำไม่ดีของเราในอดีตเพราะผลที่เราทำในวันนี้มันไม่เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บทันทีคำถามต่อไปจากคุณสติลนั่งสมาธิได้หนึ่งถึงสองชั่วโมงผ่าเวทนาได้บ้างแต่จิตไม่รวมครับ ไม่ทราบว่าทําอะไรผิดหรือไม่ครับก็เพราะสติยังไม่แน่นอนยังไม่นิ่งยังไม่สถียืนยังแวบไปนูน่นววบมานี่อยู่ต้องอย่าให้มันววบไปเลยให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวถ้ามันอยู่กับอารมณ์เดียวได้อย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวมันก็จะนิ่งสงบจะรวมได้คําถามต่อไปจากคุณวีว่างานบุญกรถินโอนเงินไปร่วมทําบุญแต่ไม่ได้ไปที่วัดจะได้บุญเท่ากับคนที่ไปทําบุญที่วัด ด้วยตัวเองหรือไม่ครับคือบุญนี้มันได้สองส่วนบุญที่เกิดจากการเสียเงินนี้ได้ไปเองหรือไม่ไปเองถ้าบอยจากร้อยบาทก็ได้เท่ากันส่วนบุญอีกบุญหนึ่งคือการเดินทางไปนี้เขาเรียกบุญที่เกิดจากความขยันหมั่นเพียรอันนี้ถ้าเราไปเราก็ได้บุญอันนี้ด้วยถ้าเราไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้บุญอันนี้คําถามต่อไปจากคุณลักษนา วิธีการตั้งสติระหว่างวันควรทำอย่างไรครับเราเลิกถึงพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้พุโทโธพุโทโธไปภายในใจไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ให้อยู่กับพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อีกวิธีนึงก็ให้จดจ่อดูการกระทำของร่างกายเฝ้าดูร่างกายทุกเิลียบทของการเคลื่อนไหวของการกระทำอย่าให้ใจไปที่อื่นนี่คือวิธีการเจริญสติในระหว่างวัน อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้คำถามต่อไปจากคุณรักใจเดินออกกำลังกายเพียงคนเดียวพร้อมภาวนาพุทธโธในการก้าวเท้าซ้ายพุทขวาโทเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงถือว่าเป็นการฝึกเบื้องต้นได้หรือไม่ครับได้ได้หมดแล้วครับพมดเลยได้ได้เช คลจะตกแลเดียวคถามนี้หมดก็จะหยุดก่อน So I would like to know um, how to manage the pain like when we have like s e t h n you ignore it l like you ignore the color ignore the whatever comes up just focus on your your breathing ignore everything yeah, after a while the pain will not bother you if you ignore it long enough okay okay Stay with your breath. Keep watching your breath. โอเควันนี้ฝ น, นกตกพอดี Alright. ขอบคุณครับเดี๋ยวว่างทำก็พอดีฝนที่าตกพอดีก็คิดว่าเราอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านดงนมเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ